นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดภาคออนไลน์ทางพิโยธรรม a c อ m อธิมาพระไพบุญอภิบุญโนจากวัดป่าหลานไสโศกครับกับผมธนแพทยนะ์นัธพงศ์กนกวิรุณครับครับพระอาจารย์ครั บ, รรบวันนี้เราจะมีเรื่องอะไรที่จะมาสนทนาผ่านรายการพอดคาสต์นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่เท่าไหร่สิบห้าครับนะเป็นตอนที่สิบห้าแล้วแล้วก็ทุกสัปดาห์เราก็จะให้มี าการอนะัปเดตของรายการภาคออนไลน์โดยก็จะมีหมอรัตตพงศ์เนเป็นผู้ร่วมดำเนินการด้วยกันแล้วก็มาก็จะค้นคว้าหาเรื่องต่างๆที่จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะพัก uh, ออนไลน์นี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนิดหนึ่งหรือว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็ในขณะเดียว ก, กันก็ใช้หลักของพุทธวจนะเหมือนเดิม ใช่ครับแต่ถ้ามีประเด็นอะไรต่างๆที่จะเพิ่มเติมหมอรัตพงศ์ก็สามารถเพิ่มเติมให้ได้ด้วยทีนี้วันนี้วันนี้ต้องขอพูดถึงตอนตอนสองตอนที่แล้วนิดนึงเพราะเป็นตอนที่จัดเดี่ยวใช้เดี่ยวแไหนก็เป็นตอนที่มีตอนตามใจฉันด้วยเหมือนกันครับท่านผู้ฟังสองท่านก็ต้องการตอนตามใจฉันมากหน่อยก็จะค่อยๆทําไปนะทีนี้วันนี้เรื่องที่เตรียมมา ก็จะเป็นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ตอนที่จะพูดถึงความเกี่ยวข้องของอมรรคทั้ง8ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วซึบเนื่องไปในโพธิปักยธรรมได้อย่างไ ร, รก็ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเปรียบเทียบอริยมรรคใองค์8เนี่ยว่าเหมือนรอยเท้าของอช้างนะ ร, รอยเท้าช้างเนี่ยซึ่งเป็ น, ปนสัตว์ใหญ่ด้วยเ ป, เป็นรอยเท้าสัตว์บก ในสัตว์บกทั้งหมดเนี่ยไม่มีรอยเท้าสัตว์ไหนใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างดังนั้น ค, คือรอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดก็รวมลงในรอยเท้าช้างเหมือนการธรรมะที่สอนทั้งหมดเนี่ยก็รวมลงอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปก็คือในในส่วนของมรรคทั้งแปดองค์เนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนครอบครอบเป็นเหมือนจักรวาลใช่ไหมครับต่ตอมรรคอื่นก็จะเป็นส่วนย่อยใช่ไหมครับเรื่ยองความกตัญญู อะไรต่างๆให้ทานอยู่ในนี้หมดอยู่ในนี้หมดจะรวมลงในนี้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงเอาง่ายๆก่อนเรามาดูลมหายใจไอ้อธิยมักมีอกแบเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ใช่อนาปนสติซึ่งปฏิบัติกันเรียกว่าข้างๆแพประเทศยแล้วก็ใช่ๆช่ทางทางตะวันตกเองก็ปฏิบัติกันเยอะนะครับอาจารย์ ที่เขายอมเมดิเทชันใช่ไหมครับ <S <S ใช่บริท <Med itation, S 1> ิ้งเมดิเทชันอนนี้นนก็อันดับแรกก่อนทิฏฐิความเห็นที่คุณ<ะ>ว่าเออฉันจะมาดูลมหายใจทําไมฉันจะมาสังเกตลมหายใจทําไมจะมีประโยชน์อะไรแตนะ่ความ<ะ>เห็นที่คุณมีความเห็นว่าเออฉันต้องสังเกตลมหายใจนะฉันต้องมามีสติรู้ลมหายใจนะความเห็นนี้แหละเป็นความเห็นที่ถูกต้องล่ะอ๋อเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมครับใช่ใเพราะคนที่หนาๆเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยนะ เขายังไปเที่ยวเถกเที่ยวบาทเที่ยวห้างแล้วก็ไม่สังเกตลมหายใจลืมลมหายใจอันนี้ก็มีนะอันนี้คื อ, อเห็นผิดครับครับครั บ, ร บ, รบก็บางบางคนบอกว่าเอ้าเห็นคนที่ที่ไม่ได้ศรัทธานะครับก็มาเห็นคนดูลมหายใจก็บอกนี่จะโง่เลยเปล่าเนี่ยมานั่งดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเพราะฉะนั้นเรามีความเห็นอย่างเนี้ยถูกต้องแล้วนะเป็นสมาธิถีแล้วครับอ่าประการที่สองเนี่ยเวลาคนที่ สังเกตลมหายใจอยู่เนี่ยสติที่เกิดขึ้นตรงนั้นแหละเป็นสัมมาสติเพราะอ่ อ, อ ค, ความอาศัยกายอาศัย ค, ค, ความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่สัมผัสของลมหายใจอันนี้เป็นกายเวทนาจิตตามทั้งสิน้นเป็นสติประฐานสี่ใช่แล้วคนที่เจริญอานาปานสติเนี่ยถ้าต้องการจะได้สมาธิขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามจนถึงขั้นที่แปดเลยครับเพราะว่าพุทธเาฟันธงเอาไว้บอกว่าในสมาธิทั้งแปดขั้นเนี่ย ถ้าใครปรารถนาได้สักขั้นไหนขั้นหนึ่งเนี่ยก็จงทําไว้ในใจซึ่งอานาปนาสตินั้นให้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสัมมาสมาธิออืก็ได้สามองค์ละน<ช>แรกสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธิอ่าแล้วความเพียรในเวลาที่เรามาสังเกตลมหายใจเนี่ยตรงนี้ต้องใส่ความเพียรเข้าไปน ะ, ะใช่ครับความเพียรที่เกิดขึ้นตรงนี้แหละเป็นสัมมาวายามะ เอ๊ะมันไปเหมือนกันยังไงเพราะสมาวิยมะนี่คือการละชั่วใช่ไหมไม่ให้ความชั่วที่รับไปแล้วเกิดขึ้นอีกอทําความใหม่เกิดขึ้นทําความดีให้มากขึ้นความดีใหม่ทําแตกความดีที่มีอยู่แล้วเล็กรักษาเอาไว้สี่อย่างครับซึ่งตรงนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงทําไมเป็นสมาวิยมะัอ้าวก็ความดีอย่างเช่นสมาธิครับความดีอย่างเช่นสติความดีอย่างเช่นสมาธิฏฐิเนี่ยเรารักษาไว้เพราะเราสังเกตลมหาใจ ต้องใช้ความเพียรมากด้วยนะครับพี่อาจารย์แล้วว่าเวลาที่เราจะสังเกตเราไม่ใจอยู่เนี่ยไอความคิดที่ไม่ดีเนี่ยความคิดทางการความคิดทางปยาบัติทางคิความคิดทางเบียดเบียนมันเกิดขึ้นไม่ได้ครับออืืมก็เป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นสัมมาปยามะแล้วคนที่ไม่มีความคิดเรื่องการปยาบาทเบียดเบียนเนี่ยก็เป็นสัมมาสังกัปปมทิ้งความคิดอะกุศลใช่ครับ ความคิดถากุนศน์ให้รีบทิ้งตรงนี้ก็จะเป็นสัมมาสังกปะครับแล้วก็พอเราม า, านั่งสมาธิสังเกตลวงพ่ใชัอยู่เนี่ยกายวาจาเนี่ยมันบริสุทธิ์ละใช่บริสุทธิ์โดยพ<ไ>ื้นฐานแล้วใช่โดยอย่างสัมมาอาชีวะก็พวกนี้ก็ปฏิบัติอาชีพที่ที่เรียกว่าเป็นสัมมาอาชีวะอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นกายวาจาและอาชีวะของเขาเนี่ยหลวงพ่อ ช, า ช, าชัใช้เบทพยัญชนะว่า กายวาจาและอาชีวะของเขาเนี่ยก็บริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมเพราะฉะนั้นคนที่ทำแค่นี้ก็ชื่อว่าสามารถทำอริยามรรคมีองค์แปดให้เกิดขึ้นได้ครับทีนี้เวลาที่เราสังเกตลมหายใจอยู่ใช่รู้รลมหายใจใหายใจเข้าก็มีสติหายออกก็มีสติเนี่ยอพออริยามรรคมีองค์แปดจเจริญแล้วเนี่ยตรงนี้นี่ น, นะทำได้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะอยู่ในที่บ้านนั่งคู้ขาอยู่ไม่จาเป็นคุณอยู่ในรถ เรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียน เ, เดินไปที่ทํางานนั่งทํางานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ฟังการเทศน์นี้อยู่ปอ็อตแคสออนไลน์นี้อยู่เนี่ยมีได้ตลอดเลยอันนี้มัมีอแปดเจริญดูลมหายใจได้ตลอดเลยใช่ใชในทุกปริยบบ ท, ที่บอกว่าทั้งยืนเดินนั่งนอนใ ช, ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรายืนดา่าแม่คา้าในตลาดอยู่นะแล้วสังเกตลมหายใจไปด้วยเนี่ยก็จะไม่มีสมาวิยมะนะ เพานั้นมันคนละประเด็นอถ้าเรามีสตินะมีสตินี้ได้ตลอดอควรจะต้องมีตลอดแต่มีสติแล้วจะมีปัญญาปล่อยวางไหมมีมรรคผลอื่นเพิ่มมาหรือเปล่านี่มันก็อยู่ที่ว่าเราทนะํานวินาทีนั้นอ๋อครับอันนี้เราไต้องอาศัยการฝึกให้ใเป็นประจําด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ อ, อันนี้เราได้คุยคุยไปแล้วด้วยในยเรื่องของการที่บางคนอาจจะมี ส, สมาธินะแต่ไม่มีสติอ่าก็เป็นคนละเรื่องกัน เป็เรื่องวาจาก็เหมือนกันบางทีเรามีสติอยู่แต่เราอาจจะไม่ได้มีสมาวาจายังงี้ก็เป็นไปได้ครับคแสดงว่าองค์ธรรมเหล่านี้จะต้องเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวแนบแน่นกันไปตลอดเวลาใช่ไหมครับอ่ามันก็จะมาเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริมักมีองแปดเนี่ยไม่เคยพูดแยกกันเลยถาจะพูดอริยมักมีองแปดอริยมักมีองแปดหรือถ้าพูดมักก็คือใช้คําว่ามักเฉยๆซึ่งมันเหมือนกับทาง ทางเนี่ยมไม่ใช่ทางแปดสายนะเป็นทา ง, ทาง ส, าสายเดียวอ่าแต่มีองค์ประกอบแปดอย่างแปดอย่างรับซึ่งเพราะฉะถ้าเราเดินไปในสายเนี้ยมันก็จะมาพร้อมๆกันก็เหมือนถนนราดเมนเหมือนที่มันขนานกันไปเนี่ยจะอยู่เลนส์ในเลนส์นอกมันก็ไปไ ป, ไปมุ่งหน้าไปสนามหลวงเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับอย่างการปฏิบัติที่ ท, ที่ท่านเอิอยมาก็คืออานาปานาสติเนี่ยน อ, นอกจากนอกจากคือชัดเจน ฟังคำอธิบายมาแล้วก็ชัดเจนว่าอานาปานัสติเนี่ยคือทางที่จะเจริญองค์มากได้พร้อมๆกัน oui, มีวิธีปฏิบัติแนวในหมวดอื่นไหมครับท่านที่ที่จะทำให้มักทั้งแปดองเจริญขึ้นพร้อมกันในในรูปแบบที่แบบดูลมหายใจนะครับจริงๆแล้วโดยพุทธวจนะเนี่ยตรงที่บอกว่าการมีมักแปดเกิดขึ้น มักไมีองค์แปลกเกิดขึ้นพร้อมๆกันเนี่ยเป็นผลรสรุปมาจากการที่เห็นตามที่เป็นจริง<อ> เ, เห็นตามที่เป็นจริงโดยความที่เห็นว่าตาหูจมูกนิ้วกายใจมันเกาะไม่เที่ยงเมื<น>่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ย<น>เราก็จะไม่กำหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นจะไม่รุ่มหลงกำหนดเพลิดเพลินยินดีเนี่ยความรุ่มร้อนทางกายทางจิตอะไรต่าง ๆ, ๆก็จะดับไปหมดซึ่งถามว่าเรามาถึงตรงจุดที่เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงได้อย่างไรครับเอาก็คุณใจอะไรได้บ้างอ่ะดูมรณสติก็ได้ อ่าพิจารณาความตาอ่ากายคตาสติก็ได้พิจารณาอ่าเรื่องของกายกายหมุนอื่นๆเขาอืข้อศอกแขนท้องได้ทั้งนั้นน่ะคือกระดูกพวกนี้ก็ได้ใช่ไหมที่เขาเรียกอานสุภาษใช่ไหมครับก็ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้ปล่อยวางได้ก็ได้ทั้งนั้นเห็นไหมว่ามันมันมาจากมุมไหนก็ได้ใช่ครับธรรมะนี่หมุนรอบตัวไม่มีทางจนเลยคุยเรื่องธรรมะเนี่คุยกันจน แกงงอมผมขาวก็ยังคุยกันได้อยู่อย่างกรณี<น>ที่บอกว่ามีกรณีที่มีเท่าที่ศึกษา ม, มามีคําว่าอัศาธาอาทินวะอันนี้คือที่บอกว่าอัศาธาก็คือรสอร่อยอาทินวะคือรสแบ บ, บมุมไม่ดีโทษอันนี้ก็ก็จะเกี่ยวเกี่ยวโยงกันใช่ไหมครับคนที่เห็นตรงนี้เนี่ยเห็นเขาเรียกว่าเห็นตามรู้ ร, รู้รอบรู้เรื่องนั้นๆ อย่างในเรื่องของเรื่องของทุกอย่างเงี้ยเรื่องของขันทั้งห้าอย่างเงี้ยพระเจ้าให้รับรู้โดยนัยยะที่เราว่าคุณต้องรู้นะว่าขันห้าคืออะไรแล้วรู้ว่าของดีในขันห้ามันมีอะไรเขาเรียกว่าประโยชน์ของมันคืออะไรพระเจ้ชาใช้คำอาสาทักคือรถอะไ ร, รแล้วก็ต้องรู้โทษของมันด้วยนะอันที่สามต้องเห็นโทษแล้วอันที่4ี่เนี่ยเห็นอุบายเครื่องนําออกจากมันด้วยออืตรงนี้สําคัญสำคัญก็เห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็น เรียกว่าเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็คุณก็จะสามารถวิชานุสัยนี่ก็จะไม่นอนตามคนที่เป็นแบบนี้อืมอครับประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของเวลาที่เราสังเกตลมหายใจหรือเดินตามอริยมักมีองแปดใช่ไหมครับ อ, อันใดอันหนึ่งเนี่ยอริยมักมีองแปดก็ตามกันมาทีนี้จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ถึงเรื่องสัมมาวาจาร์ว่าถ้ามีสัมมาวาจาเนี่ยอเอาสี่อย่างก่อน ตัวสัมมาสติสมัมมาทิทฐิสมัมมาสังกปรสมัมมาวาจาสม jogo, สมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยห้าอย่างเนี้ยอย่างใดอย่างหนึ่งก er ็แล้วแต่เนี่ยมีสมมาธิทฐิ claro มาด้วย okay. อ๋อจะเป็นเจริญมาด้วยกันใช่มีสมมาทิทฐิมาด้วยมีสัมมาวาจามาด้วยมีสัมมาสติมาด้วยอ๋อสัมมาสัมมาทิาหมายความว่าไงคือหมายความว่าไง หมายความว่าคนที่รู้สัมมาสังกปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะรู้มิจฉาสังกปะว่าเป็นมิจฉาสังกปะอันนี้คือมีสัมมาทิฏฐิอ๋อครับรู้สัมมากาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจารู้มิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเช่นเดียวกันกับกรรมตาและอาชีวะครับอ่าเพราะนันเห็นว่าจะเห็นได้ว่าไอ้5อย่างแรกเนี่ยอย่างของปริมารมีองแแรกเนี่ยนะอย่างแรกเนี่ยนะจะมี3อย่างหลังตามมาหมด ในแต่ละอันละอครันใช่ใช่เหมือนเป็นเบสิกละเบสิคเพราะมันเจริญมาพร้อมๆกันครับก็คือขอตัวทีเอาใหม่สามอย่างห้าอย่างแรกเนี่ยจะมีสามอย่างที่ตามมานะคือสัมมาวายมะสัมมาสติและสัมมาทิฏฐิครับอ่าสัมมาสมาธินี้ยกไปอีกเรื่องหนึ่งมี7จดอย่างนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีระห้าอย่างเนี่ยครับอาจจะมีสัมมาวายมะสัมมาสติทิฏฐิแล้วก็สัมมาสติใช่ตามเรยตามเราด้วยใช่จะเห็นได้ว่ามันจะมีแค่เจ็ดอ๋อถูกไหมจะมีแค่เจ็ดอย่างก็จะสัมมาทิฏฐิก็ตัวมันเองและอย่างหนึ่งใช่ครับแามว่าทําไมถึง มีสมาทิฏฐิอันนี้เราพูดไปแล้วสัมมาวายมะหล่ะก็คือความเพียรอะไรก็แล้วแต่ในการละมิจฉาอันนั้นทําสัมมาของอันนั้นให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นสัมมาวยามะอเพราะฉะนั้นสติที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยเราต้องใช้สติในการทําอย่างนี้ก็จะเป็นสมาสติครับเพราะฉะมันจะโบอยู่อันนึงคือสัมมาสมาธิไงใช่ครับแล้วสมาสมาธิคืออะไรอ้าทั้งเจดอย่างนี่แหละเท่าแวดล้อมจิตอันเป็นหนึ่งอยู่นั่นแหะคือสัมมาสมาธิ เพราะฉะนั้นเราไดมันชอบใช่เราได้คุยคุยคประเด็นนี้ไปแล้วว่าสมรภิสติอะไรต่างๆมันจะแยกกันอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงเรียกว่ามันทำงานไปพร้อมๆกันใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโพธิปัจญยธรรมสามสิบเจ็ดใช่สามสิบเจ็ดข้ออ่าสามิ็ดข้อข้อก็แบ่งเป็นเจ็ดหมวดมีท่านช่วยแจกแจงนิดนึงนะครับแบ่งเป็นเจ็ดหมวดก็คือมารกละ มัดแปดมัดแปดแปดแรกคือมัดแปดแปดข้อหมวที่สองเนี่ยก็คือสมมติประธานสี่สมมติประธานสี่นี่คือเรื่องของความเพี่ยนสี่อย่างความเพี่ยนสี่สถานมีอะไรบ้างครับท่านก็คือเหมือนสมาวายมะเลยอ๋อวายมะมี่เปลี่ยนละอคุศลที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ละอกุศลที่เกิดขึ้นอไม่ให้อกุศนที่ละไปแล้วเกิดขึ้นมาอีกเกิดขึ้นมาอีกใช่แล้วก็ทํากุศล ที่ที่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็ที่มีอยู่แล้วเนี่ยรักษาให้ดีอ่าให้ดีอันนี้คือสมมาประทานสีสมมาประธานสี่นีคือสมมาวายมะใช่ครับซึ่งซึ่งก็คือบทเรียนชนะเดียวกันกับเรื่องของสมมาวายมะโอเคอันที่สองก็คืออิทธิบาทสี่อันที่สามอันที่สองอ่าอิทธิบาทสอันแรกมาร์กเมลแรกเอาอันที่แปดนี้ไว้หลังสุดเลยอ๋อโอเคไล่ไปตามนัมเบอร์ไล่ไปตามตัวเลขอันดับแรกเนี่ยก็คืออิทธิบาทอ่าสมมาประทานสี่อิทธิบาทสี่ อันที่สองคืออิทธิบาทสี่คือฐานที่ตั้งแห่งอิทธิอิทธิอริษเนี่ยอิทธิบาทบาทว่าฐานอิทธิก็คืออิทธิอริษความความสามารถปราณนั้นเถอะก็คือผู้อยู่เรื่องชันทวิริยะวิมังสาวิมังสาครับอันนี้คิดว่าจะต้องพูดละเอียดในในครั้งต่อไปมันจะมีประเด็นอยู่อย่างไรก็ตามถามว่าตรงเนี้ยมันมาได้ยังไงนะเพราะว่าชันทะ คือความพอใจใช่ไหมตรงนี้จะไปอยู่ในหมวดของเดี๋ยวเอาเรื่องของความเพียรก่อนอันนี้เห็นชัดสันทัวิริยะวิริยะนี่คืออยู่ในสมาวยมะรถิฏฐานี่คือการที่เอาใจจดเอาใจจ่อซึ่งจะอยู่ในสติและวิวังษาเนี่ยคือการตรวจสอบตรวจสอบพัฒนาคือการโยนิโสมนสิกานคือโยนิโสมนสิการรคันอันแรกคือฉันทะเนี่ยก็จะอยู่ใน หมวดของสมาธิทื่เพราะฉะนั้นในสมาธิิในในฉัน tha เนี่ยจะอยู่ในหมวดของสมาวายามะด้วย<อ>เพราะว่าเก<อ>ี<ท>่ยวเกี่ยวกันเพราะว่าแล็บในในส่วนของสมาวาิมามะเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่าอา่พึงมีความพอใจปลูกความพอใจนะประคองจิตตั้งจิตเอาไว้เพื่อละอกุศลเพรา ะ, ะเราต้องพอใจในการที่จะละอกุศลพอใจตรงเนี้ยคือฉัน tha ใช่ครับพอใจในการที่จะทํากุศลให้ถึงพร้อมพอใจตรงนี้คือฉันทะอเพราะนั้นตรงนี้ก็จะมีละของในส่วนของอิทธิบาทสี่ครบครับต่อไปพละห้าอินซีห้าพละห้ากับอินซีห้ามาด้วยกันสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสมาธิและปัญญาสตินี้ก็สติละสมาสติใช่ไหมครับครับพละห้ากับอินซีห้าเป็นไวยพจน์กันใช่ไหมครับท่าน เหมือน <ทำ S 1> กันแต่ <ไง S 1> ทํางานคนละอย่างอเอเหมือนกันแต่ทํางานคนละอย่างครับเหมือนกันยังไงก็คือตัวของมันเนี่ยองประกอบของมันห้าอย่างเหมือนกันครับทํางานคนละอย่างคือยังไง เ, เรื่องของอินทรีย์เนี่ยคือการที่จะทําให้คุณบรรลุเร็วหรือบรรลุชา<อ>้าคือความสามารถที่เรามีอยู่ครัภพร ะ, ะเนี่ยคือการกําลังในการที่เราจะปฏิบัติอืก็ใช่ไหมสมมติว่า อคุณมีคุณมีกําลังใจเท่าไหร่ในการที่จะอยู่ในมรคเราทํางานทุกวันอย่างเงี้ยไปทํางานไปเรียนหนังสือให้เรามีเราอยู่ในมรคมากหรือน้อยถ้าคุณอยู่ในมรคมากนะแสดงว่าคุณมีพละมากพระมากปีความโน้มเอียงที่จะบรรลุทางธรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับหมายความว่ากําลังกําลังลังในการที่เราจะปฏิบัติางธรรใช่ให้เราอยู่ในมรคใช่ส่วนอินทรีย์คือ กำลังในการที่จะเครื่องเครื่องวัดว่าจะบรรลุเร็วหรือช้าจะไม่เหมือนกันการทำงานจะไม่เหมือนกันแต่คุณสมบัติของมันเหมือนกันใช่ใช่ครเข้าใจแลครับสัทธาสัทธาก็มีเรื่องเชื่อในการตรัดสรุปของพระผู้มีพราอันนี้เป็นสมาธิส่วนที่เป็นโลกิยะแน่นอนครับวิญญาณก็อยู่ในสมาวายมะสติก็เสมาสติมสมาิสมาธิก็สมาธิปัาสมาธิปัญญาสมาธิก็สมาธิปัญญาก็มาธิกสมาธิปัญญาก็าิปัาก็ับญากาธิัญญก็มาธิปัญกัญ ละห้ากับอินสี่ห้าครับต่อไปก็คือโพชงเจ็ดอ่าโพชงเจ็ดองคธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมใช่อ่าโพชงเจ็ดก็จะเป็นห้าอย่างครับเอ๊ะขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะครับผมเคยได้ยินโพชงสิบสี่อย่างนี้มันจะเกินไปไหมครับท่านโพชงเจ็ดกับครับโพชงสิบสี่พระเจ้าก็เคยตรัสไว้ครับโพชงสิบสี่ก็คือเอาอันที่เจ็ดนีแหละมา มาแบ่งครึ่งทั้งที่เป็นภายในภายนอกอันนี้เลยพูดอยู่ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวจะขุดมาพูดเถึงในเรื่องโพชงก็ได้ครับครับทีนี้โพชงเจ็อันเนี้ยมากับมั่งมีองแปดแน่นอนอืมครับครับเพราะว่ามันมาสติมากับสติใช่ครับเออเลยไปนิดหนึ่งก่อนอในหมวดสี่เนี่ยนะนอกจากมีสมาชิปทานสี่ที่บาสีแล้วยังมีสติปฐานสี่ด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ซึ่งสติปทานสี่เนี่ยทําให้เกิด โปรชงเจ็ดด้วยใช่ครับซึ่งโยงสติประธานสแล้วก็เช่มโยโคชงเจ็ดใช่ไหัพอมีโปชงเจ็ดแล้วก็เลยมีอรลยมมีองแปดอืใช่ครับก็จะครบเจ็ดหมวดล้อ่าก็จะมีอ่าสมัรอ่าอะสติประธานสี่สมัคประานสี่ิิาสี่พรห้าอินซีห้าโชงเจ็ดโชงเจดอะลมมีองแปดและอะลิมัสมองแปมีทั้งหมดเจดหมวดรวมกันได้สาสิบเจ็ดมสเจ็ดข้อ อ๋ออัอ๋อพละ5กับอินทรีห้าคือแยกแยกกันพูดแต่ว่าจริงๆเนื้อหาหคือนกัหมวดย่อยเหมือนกันเพราะนั้นก็จะมีทั้งหมด37มสิบเจ็ข้อแล้วก็มีเจหมวดซึ่งมันก็จะมาพร้อมกันกับอันนี้เลยอริยมรรคมี8ครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะว่าคุณหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทํางานอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยอยู่ในมรรคหรือเปล่าเราไปกินข้าวเที่ยงเห็นโอ้โหอันนี้ร่อยจางชอบนั่นออกจากมรรคแล้ว ม, มีความคิดต่างกาันรุ่มหลงลุ่มหลงในรสชาติแห่งอาหารหรือเราคุยตดสายกันลูกค้าพูดไม่ดีกับ เ, เราเราโกรธนั่นมีจาาสังกปะาาเกิดแล้วอ๋อครับหรือว่าเราคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยตลกโปกฮาพูดเปอร์เจอร์อ้าวออกสัมมาวาจาแล้ว<อ>ซึ่งตรงนี้ะจะตรงกันถามกับกับคนที่ถามคําถามมาพอดีก็จากคุณปัญญทิตต์นะครับพูดถามเกี่ยวกับเรื่องสัมมาวาจาเดี๋ยวผมขออนุญาตถามเลยนะครับ อ, อ่า เนื่องจากผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสัมมาวาจาอ่ะก็เลยโหลดตอนที่สี่ซึ่งเป็นเรื่องของสัมมาวาจาดูคือคุณปานิชยังไม่ได้คำตอบก็เลยถามถามเพิ่มเติมว่าผมสงสัยว่าการปล่อยมุก ค, คือการพูดใหต้ตลกเนี่ยแต่ไม่ได้พูดเท็จนะครับคือพูดจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นการพูดคาหยาบแล้วก็ไม่ได้เป็นการพูดสอเสียดนับว่าเป็นการพูดเพเจอร์ไหมครับ mm hmm. อ่าก็เป็นขำาัที่ดีมากนะรู้สึกว่า ค, คือเวลาเราอยู่ในที่ทํางานเนี่ยบางทีมันต้องพูดต้องอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะปล่อยมุกแล้วถ้าเราเป็นมิเป็นมิชาวาจานี่เราหลุดออกจากมาร์กเลยนะพูดเล่นเล่นตลกตลกอย่เงี้ยซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีน่าจะรวบรวมไว้ในเรื่องของสมาวาจาด้วย<ช>คือคว่าอถ้าพูดไม่เท็จไม่พูดคําหยาบแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดสสร เ, เรื่องตลกเนี่ยนะมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่อง สัมมาไม่ใช่เรื่องเพลยเจอร์เลยเป็นสัมมาวาจานแน่นอนอืมเป็นเรื่องตลกทำไมจะมาพูดให้ฟังกันไม่ได้ครับท่านยกตัวอย่างนิดนึงไหมครับเพราะว่าจริงๆตรงเนี้ยจริงๆบอกว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ทำอย่างนี้บ่อยเพราะว่าบางทีเครียดดางทีประชุมกันแล้วเครียดจะเหมือนกับพูดอะไรที่มันแบบว่าผ่อนคลายนะครับเหมือนกับเจตนาดี ใช่ต้องพูดก่อนว่าไอ้ ส, สัมมาวาจาส่วนที่เป็นเรื่องของคําพูดเพอ์เชอร์คืออะไรคำพูดเพอ์เชอร์เนี่ยคือคำพูดเพอ์เชอร์เนี่ยคือวาจาที่ไม่สมควรแกี่วเวลานะไม่ใช่คําจริงไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นทําให้เป็นวินยัยไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่มีเวลาจบอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องที่ไม่สมควรเกี่ยเวลาแล้วเอามาพูดเวลานั้นอันนี้ไม่สมควรเช่น อ่าตอนนี้มันเป็นเรื่องด่วนมีปัญหาที่จะต้องมีการแก้ไขเรื่องฉุกเฉินอยู่ๆคุณพูดเรื่องตลกขึ้นมาอันนี้ไม่สมควรอ๋ออ่าไม่ไม่ถูกกาละไม่ถูกกาละเลยเขาจะต้องรีบแก้ไขปัญหาอย่างเช่นดับเพลิงอย่างเงี้ยดับไฟเราจะมาปล่อยมุกตลกในขณะ ด, ดับไฟเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่สมควรไม่สมควรไม่ควรเก็บเวลาครับอ่าหรือว่าในที่ประชุมเครียดๆแหมถ้าอ่าเรา มีสามารถพูดตลกขึ้นมาทำให้ทุกคนคลายเครียดได้นะเป็นวาจาที่น่ารักแก่ผู้ฟังเป็นวาจาทีเา่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่ใช่เพอ้เอเจอแน่นอนครับอือใช่ใช่เพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยงดงามพูดแล้วตามจริงนะพูดแล้วนคนอื่นสบายใจเป็นไปเพื่อสมาธิเนี่ยอันนี้เป็นสัมมาวาจาแน่นอนครับ แล้วก็ถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องจริงนะมีประโยชน์เนี่ยมันมันแล้วแต่สถานการณ์ในเรื่องที่เราพูดนั้นๆเนี่ยเอามาใช้ในสถานการณ์อีกอย่างหนึ่งกับกลายเป็นเรื่องไม่ดีเป็นวาจาเพอร์เจออ<น>ย่างสม ม, สมมุติในเรื่องเวลาที่เร่งด่วนเรามาพูดเรื่องตลกที่จริงที่ไม่เป็นคําส่อเสียดเนี่ยก็กลายเป็นคําพูดเพอร์เจอร์ไ ป, เ พ, ไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยพูดเรื่องตลก <perm> ก็ไม่เคยมีพูดเรื่องตลก มีแต่ยิ้มนิดหนึ่งมีอยู่ อ, อคือยิ้มก็เก็นการเป็นการผ่อนคลายตามธรรมชาตินะครับจริงๆแล้วจะให้ตลกมันก็ได้นะเรื่องนั้นเน<ช>ี่ยคือครั้งนั้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังตอนนี้ยังพอมีเวลาครับเอคือว่าพระพุทธเจ้าเดินผ่านไปที่หนึ่งแล้วอยู่อก็ยิ้มขึ้นมาครับพอยิ้มขึ้นมาแล้วเนี่ยยิ้มที่มุมปากขึ้นมาพระอา น, นุ์ก็สงสัยพระเจ้ายิ้มทําไมต้องมีเหตุก็เลยถามถามพระุทธเจ้ายิ้มอะไรพระพุทธเจ้าก็เล่าเรื่อง ในอดีตให้ฟังว่าณที่เนี้ยเราเนี่ยเคยสวยชาติเป็นเป็นมานบหรือเป็นพราหมณ์สักองค์หนึ่งนี่แหละแล้วก็มีเพื่อนเป็นชนชั้นอีกวันณะหนึ่งเป็นคนละวันณะกันซึ่งเป็นวันละที่ต่ํากว่าเป็นวันณะสูตรมั้งก็ปรากฏว่าอยู่ในสมัยพระเจ้าองค์ก่อนๆนะอปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยคนที่วรนละต่ํากว่าเนี่ยเป็นเพื่อนของโพธิสัตว์นะคือเป็นเพื่อนของพระเจ้าในตอนนั้นสวยชาติเป็นชาตินั้นนะนะครับอก็ มาชวนไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นน่าจะชื่อพระพุทธเจ้าวเวสภูหรือว่าอะไรนี่แหละนะฮะต้องไปตรวจสอบอีกนิดหนึ่งก็ชวนชวนชวนไปไหว้ชวนไปกราบพระพุทธเจ้าอพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าเอมไม่ไปหรอกประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสชาระลนไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ไปอืชวนกันสองสามรอบไม่ไปครับถาไม่ไปก็ไม่ไปไปเจอกันอีกนะชวนอีกสองสามรอบก็ยังไม่ไป ใช้คําพูดคําเดิมประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะโลนแล้วก็เลยไปอาบน้ําด้วยกันตอนเย็นก็ยังชวนอีกชวนขนาดที่เราไม่ไปไม่ไปทําไงจับผมเลยซึ่งดึงไปเลยดึงจะดึงไปเลยไม่ได้นะต้องไปมีประโยชน์ดีมากนานๆจะมาทีพระเจ้าเนี่ยมาอยู่แถวนี้แล้วเราต้องไปจับผมเลยโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าอุ้ยมันเรื่องอะไรกันเนี่ยถึงต้องมาจับผมกันเลยเหรอมันจะเอากันให้ตายอะไรยังไงเราก็จะเอาในได้าำนี้ก็จะไปแล้วกัน พอไปกราบพระรูปเจ้าได้สนธนาธรรมทูลขอบวชบวชแล้วบวชจนชตลอดชีวิตในชาตินั้นตักตามากเลยครับผมเลยมาคิดตะนึกนึกถึงว่าโอ้ยถ้าถ้าอาตมาขอพูดนะเป็นคำํำชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนแล้มันหนาจริงๆขนาดคนชวนขนาดนี้ต้องเป็นหลายๆครั้งจนกระทั่งถึงต้องฉุดดึงผมไปเนี่ยนะครับเรายังไม่ไปแต่พอไปแล้วกลับบวชตลอดชีวิตโอ้โหเป็นเรื่องน่าตลกจริงๆเราหนาจริงๆเลย ก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาถ้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเนี่ยก็คงจะตลกเหมือนกันนะครัใช่ครับเพราะว่ามันมันเรียกว่าอะไรเะภาษาพูดเราเรียกว่าหน้ามือกับหลังเท้าย่งนีใช่ไหมใช่ครับก็พระราชาเลยยิ้มขึ้นมาอืมครับเพราะงั้นก็คงเข้าข่ายว่าเป็นเรื่องที่ตลกแต่ว่าเป็นเรื่องจริงไม่สอดเสียดใครแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่หยาบด้วยไม่หยาบด้วยใช่ครับ ครับสอนธรรมที่ว่าเป็นประสบการณ์ทางธรรมนะครับใช่อันนี้ต้องยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นตัวอย่างของสาวกในสมัยนี้หลวงพ่อสะอาดนี่แหละหลวงพ่อโรเตอร์สะอาดเนี่ยตอนนั้นเดินสะดุดก้อนหินวู๊ไปแต่ยังไม่ล้มนะเซธหลาไปมาไปคว้ามาได้จับได้ก่อนถามว่าหลวงพ่อหลว่าเป็นอะไรไหมหลวงพ่อเป็นอะไรไหมครับอย่างนี้นะหลวงพ่อตอบว่าหลวงพ่อเป็นพระโอ้โหพูดจริงต้อง ใช้คำว่าหาตึงเลยนะครับพูดจริงถูกไหมทำให้เราทราบว่าเออคนอื่นไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าท่านก็ยังสามารถมีมุกตลกได้ใช่ท่านครองสติได้แล้วก็เหมือนว่ายิงมุกออกมาผมว่าส่วนหนึ่งคือตัดความกังวลใจของของของท่านไพบูรณ์ซึ่งกาลังกังวลว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าท่านยิงมุกกลับมาือว่า เพียรพร้อมด้วยสติและคำปัญญาเะันเป็นสิ่งที่ทำได้ซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังรายการเนี่ยอาตมาต้องการว่าให้ให้ส่งเข้ามามีมุกตลกไหมที่ว่าเป็นมุกตลกสามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นเรื่องเป็นคำพูดจริงนะไม่ส่อเสียและไม่หยาบด้วยเราจะได้รวบรวมตรงนี้เผื่อว่าเอาไปใช้งานในเป็นมุกตลกต่อๆไปหลวงตาบัวก็มีหยวตามหาบัว บอกว่าอบอกว่าทุกท่านนะอย่ามีเมียน้อยพราอไม่บอกให้ไม่มีเมียน้อยชาวว่าดคนหนึ่งเขากลับมาเขาไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกให้เขาไปมีเมียมากๆพอมีเมียมากๆเนี่ยพอเอามาเล่าให้ฟังเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องตลกขึ้นมาทําให้คนได้เตือนสติว่าเออมีเมียมากก็ไม่ได้นะครับะคือเล่นเล่นคําคือ อ ย, อย่ามีน้อยคือมีมากกว่าหนึ่งก็เลยกลายเป็นจริงๆไปตีความอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับครับซึ่งตรงนี้ก็มีประโยชน์นะในการที่จะทำให้มันคลายความเครียดในลักษณ ะ, ะว่าเป็นวาจา<ช>ทีนะ่พูดแล้วคนจะจะรักจะฟังได้สมควรเกี่ยวเวลาอย่างเงี้ยครับอืครับโอหวังว่าคุณปณิทิตคงคงได้ได้สาระจากมุมมองตรงนี้นะครับถ้ายัางไงก็ คุณปนิทิศอาจจะเป็นคนรวบรวมมาก็ได้เพราะเข้าใจว่าคนที่ถามอย่างนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบพูดตลกแต่ว่าเอ๊ะแล้วเราผิดองคมากหรือเปล่าตัวสัมมาวาจารหรือเปล่านะครับก็ยังไงถ้ายัางไงคุณปนิทิศก็มีโอกาสตอบกลับมาอีกเพิ่มเติมนะครับก็ขอขอบ พ, พระคุณมากเลยครับมีคาถามอื่นๆพระอาจารย์จะตอบเลยก็ได้ นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องอริยมรรค8รวบรวมโพธิปักเจ้ธรรมก็คิดว่าคงหมดแค่นี้ครับครับในไงถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยมีคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เหล่านี้ทั้ง37องค์ธรรมเนี่ยส่งคำถามเข้ามาได้นะครับเราจะพยายามรวบรวมแล้วก็ค่อยๆแจกแจงไปนะครับคำถามจากคุณจรีถามว่าเวลาตักบาตรเนี่ยจะเลือกพระรูปนั้นรูปนี้นะครับ ในวงเล็บก็คือคือคุณจรีบอกว่าพระพระบางรูปเนี่ยไม่ค่อยสํารวมอืมคิดอย่างเนี้ยเป็นอกุศลไหมนะครับอันนี้คําถามแรกก่อนครับท่านก็จะได้ทั้งกุศลแล้วอกุศลนะนะหมายความว่าเวลาเราจะถวายทานเนี่ยถวายทานเนี่ยก็มันเป็นสิทธิที่ที่เราทําได้แล้วเราจะเลือกเนื้อนาบุญอเพราะฉะนั้นการที่เราจะเลือกเนื้อนาบุญเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเรา มันคือคนทำบุญมันต้องหวังบุญนะถ้าคุณทําบุญแล้วอย่างเช่นคุณทําบุญคุณหวังชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แล้วคุณทําบุญแล้วคุณหวังบุญอันนี้ค่อนข้างมีเหตุผลถ้าคุณทําบุญคุณหวังบุญคุณก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญใช่ไหมครับเพราะงั้นการเลือกเนื้อนาบุญก็สามารถทักการเลือดคือการถวายทานเนี่ยคือเพื่อที่จะละความตระณีเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความตระนีอยู่เนี่ยเราละชะด้วยโดยการนําออกด้วยการให้ทาน ก็ชื่อว่าทําจิตให้สาทีนี้ถ้าเรายังห่วงอยู่อ่ะหวงว่าไอ้อันนี้เรา<อ>ให้กับ<ร>คนนี้เท่านั้นคนอื่นเราไม่ให้เอา้าคุณก็เรียก ว, ว่าไม่ได้ถวายแก่สงใช่ไหมโดยไม่เฉพาะเจาะจงก็ยังมีการเฉพาะเจาะจงครับเพราะฉะนั้นการมีเฉพาะเจาะจงมันก็ถามว่าเฉพาะเจาะจง <สน S 1> แล้วไม่ลงใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่ได้กุศลมากหรือน้อยเนี่ยอยู่ที่หัวเขตปัจจัยออมีปัจจัยหวขอย่างซึ่งตอนนั้น พระพุทธเจ้าเนี่ย น, นั่งอยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีพระสาริบุตรกับพระโมคคัลลานะเนี่ยรับสังฆทานนะครั บ, รบทานธยธรรมของนางวิสาขาหรือนางนางวิสาขานี่แหละน ะ, ระพระพุทธเจ้าเล็งเห็นอีกที่หนึ่งแล้วก็พบว่าการถวายทานในครั้งนั้นเนี่ยได้บุญมหาศาลขนาดที่ว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรมีกิริกิ่ิตเนี่ยวัดไม่ได้นะด้วยคุณสมบัติหกอย่างครัหกอย่างนั้นเนี่ยสามอย่างเป็นของผู้ให้อีกสามอย่างเป็นของผู้รับ ผู้นะให้เนี่ยถ้ามีศรัท ธ, ธาในก่อนให้ระหว่างให้และหลังให้ออสามอย่างนี้ก็ชื่อว่าก่อระหว่างหลังคพร้อมละผู้รับมีคุณสมบัติสามอย่างนี้ไ <he S 2> ห, หมมีราคาโทสะโมหะเนี่ยหมดแล้วหรือว่ากําลังปฏิบัติเพื่อหมดไปซึ่งราคาโทสะโมหะเพราะนั้นราคาโทสะโมหะใช่ครับเพราะฉะนั้นอเรามีสามอย่างนี้ครับเขามีสามอย่างนั้นให้กันแล้วโอ้โหดีมาก อถ้าอยู่เรียกว่าบริบูรณ์ทั้งสองฝั่งก็กุศลก็จะสูงสูงมากทีนี้เวลาเราเลือกเนื้อนาบุญเราก็เลือกได้ในลักษณะนี้ทีนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงเนี่ยเราก็ค่อยๆสังเกตเอาถ้าไม่รู้เลยจริงๆล่ะไงเราก็ควบคุมเหตุปัจจัยของเราสามอย่างให้ดีอฝั่งผู้ให้ใช่ฝั่งผู้ให้ทีนี้จะจับศีลได้ไหมครับท่าน่ก็ได้เหมือนกันก็คือต้องคอยสังเกตเอา ก็ค่อยสังเกตเอาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาว่าท่านเหล่านี้เนี่ยอมีศีลอย่างไรตกอยู่ในสถานการณ์ทอย่างไรเวลาแสดงทําแสดงเรื่องอะไรอย่างนี้อีกการหนึ่งก็คือเวลาที่เราเห็นพระไม่ดีเนี่ยจะทําให้มันเกิดอกุศลก็ได้คือคุณก็คิดด่าท่านในใจซึ่งอันนี้ไม่ควรทําเลยอ๋อไม่ควรใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้จะเป็นมาเพื่อบาปเป็นการทำบาปแต่ถ้าเราเห็นพระไม่ดีเราก็ผ่านไปไม่คิดอะไร อ่าเราก็เรียกว่าไม่เกิดบาปทิงความาคิดอกุศลใช่ไม่เกิดบาปบก็ไม่เป็นบาปนะเราก็ค่อยรักษาของเราหรือเก็บของเราไว้ให้ในองค์ที่เรามีศรัทธาก็สามารถทําได้แต่เราก็ไม่คิดชั่วกับองค์อื่นไม่คิดไม่ดีกับคนอื่นอ๋ออย่างอย่างนี้ตรงนี้นิดนึงถ้าเกิดเราเห็นพระที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักศีลหรือตามหลักของธรรมวินัยเนี่ยเราแจ้งไปทางมหาเถรสมาคมหรือสํานักพุท ธ, ธศาสนาอย่างนี้จะจะถือว่า ผิดไหมครับท่านจะเอาอากุศลมาไว้ในใจอย่างนี้เวลาแจ้งแจ้งยังไงล่ะเช่นโทรศัพท์บอกบอกมหาเถรสมาคมบอกว่าเนี่ยมีภาคโวงนี้แบบ อ, อะไรอย่างขึ้นมาอย่างน<ต>ึงถ้ า, ถ, าถ้าด่าก็ไม่ควรนะแต่ถ้าอบอกเป็นแจ้งเหตุแจ้งพูดเฉยๆพูดธรรมดามันก็ทำได้เหมือนกันทีนี้เราก็จะไปผิดเรื่องที่ว่าเอาข้อไม่ดีของคนอื่นมาเปิดเผยให้ปรากฏโดยที่ไม่ถูกถาม โอ้ครับก็จะเป็นลักษณะของคนไม่ดีอืมเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เสียงก็จะเอ่อเรื่องไม่ดีของพระใช่ไหมก็ไม่ต้องพับถึงนะแต่ไม่สนับสนุนท่านก็คือไม่ไม่เอ่อไม่ไม่ใส่บาตรท่านมไวนกันเถอะใช่ไหมครับอ่าก็เป็นสิ่งที่ทําได้ครับทีนี้ว่าพระดีหรือไม่ดีเราก็ต้องดูที่ศีลด้านนะ คือสูงแม้ท่านจะผิดสีลเล็กๆน้อยๆถ้ายังมีศีลมากอยู่ศีลข้อที่สําคัญสําคัญอย่างเงี้ยอาตมาก็คิดว่าก็ดีแล้วก็ดีพอที่จะสนับสนุนตามเหตุตามปัจจัยเรื่องควเป็นอยู่พื้นฐานอย่างเงี้ยก็ควรช่วยเหลือกันครัอย่างไรก็ตามพระสงฆ์ก็ต้องช่วยเหลือพระสงฆ์กันนะหมายความว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่อะไรก็ไม่มีแล้วใช่ปะใช่การอนุเคราะห์กันตาม พื้นฐานปัจจัยสีที่ควรจะมีจะได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรทำเพื่อรักษากันไปในในคำถามเดียวกันมีต่อเนื่องด้วยว่าถ้าการใส่บาทเนี่ยใส่ด้วยพันธบัตรก็คือเงินเนี่ยสมควรหรือไม่ครับอ๋อก็ไม่ไม่สมควรอยู่แล้วเพราะว่ารับหรือให้รับนะรบหรือว่ายินดีในการที่คุณเก็บไว้ให้ซึ่งทองและเงินเนี่ยมันก็ไม่ถูกการปฏิบัติก็รับปัจจัย4ี่ทั้งหมด S <S ะจะเป็นจีวรก็ได้อาหารก็ได้อาหารเซนาสนาัส้น น, นี่คงรับไม่ได้รับไม่ได้ <S <S <Mih ar> ในบาทแต่หมายถึงว่ า, เ, าเป็นเ็นขาเรียกว่าอะไรยารักษาโรคอย่างเงี้ยรักษาโรคโครสดแ ต, แต่แต่ปัจจุบบา ท, ทจริงๆริะนะก็ <S 2> <S 2> คื อ, ห, อหมายถึงชามอย่างเงี้แหละบินทบาทก็คือรับข้าวที่ตกลงในในภาชนะเพราะฉะนั้นบาทเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะหมายถึงอาหารเท่านั้นอาหารที่สำหรับบริคใช่ ซึ่งตรงนี้พระเจ้าก็พูดชัดเจนนะว่าจีวรบริหารกายบินบาทบริหารท้องอย่างนี้เองอแล้วอยู่แหละทำยังไงก็อยู่ตามแนวป่ามีต้นไม้เป็นหลังคามีพื้นเป็นที่นอนแล้วถ้าป่วยทํำยังไงอก็ยาดองน้ํามุดเน่าอช่ไหมเพราะมันก็จะปัจใจสี่ครบละเพราะฉะนั้นบาทนี้ก็สําหรับอาหารเท่านั้นอย่างนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยคือถ้าถ้าตัวคารวาสรู้ว่าไม่ควรให้ ให้เงินพันธบัตรเนี่ย ก, ก็จบไปแต่ว่าบางท่านไม่รู้ใส่เลยอย่างเงี้ยครับท่านพระควรบอกไม่ทันด้วยอย่างเงี้ยคับแบบอุ๊ยแบบมันทันทีทันใดอย่างเงี้ยครับคือถ้าถ้ารับ<ด>รับมาแล้วในลักษณะนั้นก็ต้องสลากออกอ๋อสลากออกรีบใ ห, ให้เด็กวัดหรือว่าคนที่ตามมาหยิบออกได้ใช่ไหมครับเออก็สลากออกในที่นี้ก็คือว่าเราก็เอาออกเลยใครจะมาพิจารณาอะไรก็เรื่องของเขา ไม่ใช่ว่าจะต้องไปสั่งการอะไรอีกก็คือว่าคนวัดเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ฉลาดอะทราบว่าอ๋อเงินปัจจัยที่ได้มาตรงนี้ก็อาจจะไปบํารุงวัดหรือว่าอะไรสักการพิจารณาปัจจัยศีนึงต่อไปอย่างเงี้ยนะคเพราะว่าถ้ายินดีเนี่ยเก็บให้อาเธอเอาไปเก็บอ้าวนี้ก็ไม่ถูกผิดผิดวินัยในข้อไหนครับท่านอก็นี่ไงว่ารับก็ดีให้รับก็ดีหรือยินดีในทอนในเงินที่เขาเก็บไว้ให้ เพราะนั้นเอาตัวเลขมันดูแหมยินดีและมีเท่านั้นแสนเท่านี้ล้านยินดีอ่าวไม่ถูกอ๋อไม่ได้ผิดข้อที่ว่าอาบัตอ่านิสกีปาจิตจตีนิสกีปาจิตตีใช่ใช่นิสกีปาจิตตีนิสกีปาจิตตีก็เป็นความปิดขั้นอ ข, ขั้นที่ถูกทํากุศลทาให้ตกล่วงไปเรียกว่าปาจิตตีครับก็ต้องรีบสลาไปก่อนเลยครัใช่สละกนี่ก็หมายความว่าเราก็สลาในอสลาไปให้คนอื่นไปครับ โอเคกันนี้ก็ผ่านของคุณจรีนะครับคงคงชัดเจนถ้าคุณจรีมีคําถามเพิ่มเติมหรือว่าจะแจกแจง ก, ก็ถามมาได้ต่อนเนื่องนะครับมีคําถามที่ยังอยู่ใน อ, อ, อันนี้เป็นขอ ง, ของคุณจรีเหมือนกันคุณจรีใช่ไหมครับใช่คำสุดท้ายนี่ของคุณจรีรเหมือนกันคำถามคือบางครั้งมีสิ่งมากระทบและกดดัน จ, จิตใจมากจนกระทั่งอยากร้องไห้ โยมก็จะเริ่มค่อยๆสังเกตลมหายใจและทําให้เริ่มมีสตินึกถึงธรรมะจึงทําให้ทุกอันนั้นเนี่ยระงับไปเลยทําให้นึกสงสัยว่าถ้าเป็นทางโลกคนเรา ด, รเรดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้คือดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้คํากล่าวนี้คงใช้ได้กับพระอรหันต์ใช่ใช่ไหมเจ้าคะมงเล็บบอกว่าใน ในพุทธประวัติมีพระอรหันต์มีโอกาสที่จะร้องไห้หรือไม่ครับอ๋อร้องไห้เนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุครับแต่ถ้าเรื่องดีใจหรือเสียใจมากเกินไปเนี่ยพระอรานนี้ไม่มีอยู่ละแต่ถ้าฝุ่นเข้าตานี้น้ำตาก็ไหลเหมือนกันนะอ๋อคือคือทางกายเพราะฉะนั้นน้ำตาเนี่ยมันไหลได้แน่นอนว่าจะเป็นใครพระอรหันต์ไม่ใช่พระรอรหันต์ทีนี้ว่าก็ต้องเหตุอะไร ถ้าเหตุที่สิ่งอื่นมากระทบะกระทบทางไหนกระทบฝุ่นมากระทบตามก็น้ําตาไหลได้ทดลองให้เหมือนกันคือคือทุกทางกายใช่แต่ว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ไม่มีทุกทางใจใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเห็นเรื่องอะไรซาบซึ้งเออมันอาจจะมีน้ําตาไหลออกมาได้ตามตามลักษณะของของร่างกายแต่ว่าใจเราก็สบายอยู่อทีนี้ในลักษณะของอ่า ในสมัยพุทธกาลมีพระอ่านที่น้ำตาไหลไหมใช่ไหมก็ไม่ได้มีพูดถึงไว้นะมีแต่พวกเทวดาที่มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเนี่ยมีอยู่อดกลั้นต่อทุกขเวทนาอย่างนี่อย่างเทวดานี่ท่านไม่มีรูปกายไม่ใช่หรอครับท่านมีแต่เป็นนามธรรมทีนี้ท่านท่านจะสวยตรงนี้มีรูปมีเทวดาเนี่ยเป็นการมาพบนะ องค์ธรรมดาเป็นการมาพเพราะฉะนั้นมีรูปแต่เป็นรูปละเอียดอ๋อกายละเอียดอ่าเป็นรูปละเอียดครับอ่าส่วนที่ไม่มีรูปนี่คืออรูปประรมเป็นชั้นพรมนู่นแล้รูปประพรมก็ยังมีรูปอยู่ครับถ้าเทวดาพวกชั้นเจ็ดชั้นแรกนี่มีหมดมีกายหมดแน่นอนเป็นกายละเอียดอืมครับอรัทีนี้ส่วนพระพุทธเจ้าเคยพูดอย่างนี้ว่าเทวดาที่ยังมีสติสัมปชัญญะเอ่อมี สติสัมปชัญญะราศจากราคะโทสะโมหะเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นทนี่ถ้าร้องไห้เนี่ยมีสติสัมปชัญญะแน่ครับ่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถามว่าร้องไห้หรือไม่ก็เป็นไปได้นะแต่ที่แน่ๆมีสติสติสัมปชัญญะอดกลั้นอยู่อ๋อคือไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าลําพึงลําพันธ์หรือว่าเสียอกเสียใจ อ, อันนั้นจะเรียกว่าร่าไห้คร่ําครวญทุบ อ, อกชกตัวถึงความผู้ ง, งุนงงคลั่งเพอ หรือว่ากระทัด<อ>ก ร, ฟกรดาฟทกกระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้จะเป็นคนธรรมดารหรือคนที่วิโรธธรรม ะ, ะแต่ถ้า<ม>เป็นระยบุคคลเนี่ยเป็นโดยช่วงนี้พระอราหันต์เนี่ยก็จะมีสติสัมปชัญญะกดกลั้นเบธนานได้น้ำตาไหลไม่ไหลาอาจจะไหลได้อครับก็จะเป็นลนักษณะของเรื่องภายนอกนะเรื่องภายในคือ ค, อคอสบายแต่ภายนอกอาจจะไหลหรือไม่ไหลก็ได้อย่างนั้นอืครับ ครับ <S <S <S อืมโอเคคุณจรีคงน่าน่าจะน่าจะเข้าใจหรือว่าถ้ายังไม่เข้าใจหรือมีคาถามเพิ่มเติมส่งมาได้นะครับยินดีเลยนะครับเราจะได้สื่อสารกันนะครับครับเพราะนั้นคำถามนี้รู้สึกว่าหมดแล้วในในตอนนี้ครั บ, รบตอนต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุปาทละาจะเรื่องปฏิจจสมุปาทในลักษณะที่ว่าเราจะอธิบายปฏิจจสมุปาทในลักษณะที่ท่านผู้ฟังจะเข้าใจได้ ง่ายๆครับครับจริงๆคานี้ในในปัจจุบันผมคิดว่าน่าน่าจะเป็นวงคนรู้จักในวงกว้างมากขึ้นนะครับอาจารย์อเพราะว่าครูบาอาจารย์หลายๆท่านกไ็ได้ได้กล่าวถึงบ่อยขึ้นนะครับ<ช>แต่ว่าในทางปฏิบัติก็ผมก็ยินเห็ น, เ ห, นเห็นด้วยครับท่านที่เอามาแจกแจงให้ฟังง่ายแล้วก็ปฏิบัติง่ายขึ้นอืมเอ่อก็อย่างมรแปดนี่ก็เป็นปฏิจจสมุปบาท อาเรียสสีห์ก็เป็นปฏิจจสมุปบาทคือทั้งห <TVs. S 2> มดเนี่ยเป็นอัธรรมที่อาศาัยการและการเกิดขึ้นดังนั้นเลยสิ่งที่พระเจ้าตรัสทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นเรื่องที่ดีครับ <liber dade. S 2> ครับใช่ก็แล้วก็เวลาเราพูดเรื่องนี้เป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเราต้องพูดถึงว่าเป็นคู่เท่านั้นเองนะสิ่งนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นกับสิ่งนีน้ไม่ใช่เป็นสายเพราะฉะนั้นจะอธิบายบ ล, บลักษณะปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของการที่เป็นคู่ เมื่อสิ่งเมื่อสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อสิ่งนั้นดับสิ่งนี้จึงดับอ๋อเป็นคู่ครับน่าสนใจมากเลยแม่ก็ค่อยติดตามกันฟังในครั้งต่อไปครับตอนต่อไปครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบห้าครั้งหน้าเป็นครั้งที่สิบหกครับแล้วไงก็ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามนะนอกจากเป็นประเด็นอื่นๆก็ได้นะให้มาที่เพียวธรรมะคอมนี่แหละ แล้วก็มาทิ้งคำถามไว้ที่หน้าพอดแาสต์หรือว่าจะช่องทางอื่นก็จะเป็นทางบล็อกนะโพสไว้ที่โพสไหนๆก็ได้ในบล็อกนี่แหละเปียวธ ma. มะคออืมครับครับก็วันนี้โอหอินเอมกับธรรมะนะครับก็ขอกราบนมำพสการพระอาจารย์ไพรบูลครับปคุปโนแห่งวัดป่าดอนไห้โศจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็ลาท่านผู้ฟังไปเท่านี้แหละครับ สวัสดีครับ